50 languages. 9 i n e t y f o u r Tumbatta nalku. Kam s a n h a v y a y a kai. รอจนดิฉันเสร็จก่อนนาหนูตยารากัววะเเกกายรอจนกว่าเขาจะกลับมาอวนูหินติรุกีบรัววะเเกกาย่ดิฉันรอจนกว่าผมจะแห้งนันนะกูดลูวณานกววะเเกกายุตเตเนดิฉันรอจนกว่าหนังจะจบ ชิตรมุกิยุวรวเกคายุเตเนดิฉันรอจนกว่าสัญญาณไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนานู t ร a f f i c light ฮัศรุอากวะตนกักกคายุเต เ, เนคุณจะไปพักร้อนเมื่อไหร่นี่นูยาวะกะระเจยลลีฮกุติยก่อนวันหยุดฤดูร้อนอีกหรือ บสิกีจลามุ่ชย่ฮโุตยใช่ก่อนวันหยุดฤดูร้อนจะเริ่มบสิกีรัจพราบัมบาอาโกฎดักเก่มุตนซ่อมหลังคาก่อนที่ฤดูหนาวจะเริ่มชลีกาลารบัมบาอาโกฎดักเกุ่่งชชาววณินุดุรัสติมาดู ग ล้างมือของคุณก่อนที่คุณจะนั่งที่โตะ๊ะวูตะ ก, กี้ปุลิตุกัวมุนเชไค ก, กัลโนโตเลดุกุปิดหน้าต่างก่อนที่คุณจะออกไปข้างนอกพอระกีฮอกัวมุนเชกิตะกิ ก, กลัลโ น, นมุชชูคุณจะกลับบ้านเมื่อไหร่มันเนี้ยาวว่ากัฮินดิรุกุติยะ หลังเลิกเรียนหรือพัฒการนันทรวค่ะหลังเลิกเรียนเฮอดูพัฒการ์โลมุกิดนันรหลังจากเขาประสบอุบัติเหตุเขาทางานไม่ได้อีกต่อไปอวันนี้ตตาอาดานันทราอวันนีเเลลล้ลลัสล หลังจากที่เขาตกงานเขาไปประเทศอเมริกาอาวนนัลยเสาะหาเมลีอาวันูอเมริกาเกะหอหลังจากที่เขาได้ไปประเทศอเมริกาเขาก็ร่ำรวยอเมริกาเกะหานั่นตรอาวันู้หนวันตนาด